โลกที่คุณอยู่สิ่งที่คุณเห็นอะไรที่คุณสัมผัสไม่ได้มาจากความบังเอิญมันมาจากเส้นทางกรรมที่คุณเคยเลือกและกำลังเลือกต่อคนเรามีนิสัยอย่างไรก็เรียกว่ามีเส้นทางกรรมอย่างนั้นนิสัยในมุมมองทางธรรมะคือกรรมที่ทาเป็นประจำจนชินเรียกว่าอาจินนกรรม มีนิสัยอย่างไรก็เข้ากับคนอย่างนั้นเข้ากับคนอย่างไรคือมีโลกเฉพาะกลุ่มอย่างนั้นโลกที่แต่ละคนเลือกที่จะเดินเข้าไปแบ่งเป็นสองใบง่ายๆคือโลกใบที่เอาแต่สุขเฉพาะตนกับโลกใบที่เอาสุขของทุกคนเข้าว่าโลกใบที่เอาแต่สุขเฉพาะตนเกิดจากความสำคัญผิด คิดว่ามีแต่ตนเองเป็นสุขอยู่คนเดียวได้การนึกว่ามีโลกแบบนั้นเป็นมนโนกรรมในทางลบสร้างจุดจบทางความสุขให้คนอื่นเห็นใครต่อใครเป็นเบี้ยล่างคิดในทางเบียดเบียนอยากทําอะไรใส่ใครก็ทําแต่อย่าได้มีใครมาทําอะไรใส่ตนเชียวโลกแบบนี้มีแต่การแก่งแย่งแข่งขันเอาชนะให้ได้เอาเปรียบให้ได้หลอกใช้ให้ได้หลอกลวงให้ได้ ทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาสุดท้ายไม่มีใครเป็นสุขจริงสักคนเพราะคนที่รับความทุกข์จะกราวไปย่อมบ่มเพาะความทุกข์จนหนักอึ้งได้ที่ทนไม่ไหวก็ออกกลับมาทุ่มใส่เราคืนหรือถ้าคืนไม่ได้ด้วยตัวเองในที่สุดสิ่งลึกลับก็จะช่วยจัด ก, การแทนจนได้โลกใบที่เอาสุขของทุกคนเข้าว่าเกิดจากการเห็นถูกเห็นชอบ เห็นว่าไม่มีใครมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นได้มีแต่ช่วยให้คนอื่นเป็นสุขคลึ่ความสุขรอบตัวถึงจะเกิดขึ้นล้อมรอบโลกแบบนี้มีเส้นทางกรรมเพื่อเข้าถึงเป็นการให้ทานแบบให้เปล่าไม่หวังอะไรมากกว่าเป็นสุขร่วมกันและมีการถือศีลแบบตั้งใจเอาชนะสิ่งยั่วยุเพราะเห็นประโยชน์